เป็นทั้งรูปพันธ์และไม่เป็นรูปพันธุ์บ้างที่ชื่อว่าเป็นรูปพันธุ์ได้แก่เครื่องประดับศีรษะเครื่องประดับคอเครื่องประดับมือเครื่องประดับเท้าเครื่องประดับเสเอลที่ชื่อว่าไม่เป็นรูปพันธ์พระองค์ตรัสถึงรูปิยะที่ทําเป็นแท่งที่ชื่อว่าเป็นทั้งรูปพันธุ์และไม่เป็นรูปพันธ์ได้แก่เครื่องประดับทั้งสองประเภทนั้น ที่ชื่อว่ารูปิยาได้แก่วัตถุที่มีสีดุจพระชีวีของพระศาสดากระหาปณะมาศกที่ทำด้วยโลหะ».มาศกที่ทำด้วยไม้มาศกที่ทำด้วยเครื่องที่ใช้เป็นอัตราสำหรับแลกเปลี่ยนซื้อขายกันคำว่าทำการคืออรูปิยาที่ทำเป็นรูปพันแลกเปลี่ยนกับรูปิยาที่เป็นรูปพันเป็นนิสกีอรูปิยาที่เป็นรูปพันแลกเปลี่ยนกับรูปียาที่ไม่เป็นรูปพันเป็นนิสกี เอรูปียะที่เป็นรูปพันธ์แลกเปลี่ยนกับรูปียะที่เป็นทั้งรูปพันธ์และไม่เป็นรูปพันธ์เป็นนิสกีอารูปิยะที่ไม่เป็นรูปพันธ์แลกเปลี่ยนกับรูปียะที่เป็นรูปพันธ์เป็นนิสกีอารูปียะที่ไม่เป็นรูปพันธ์แลกเปลี่ยนกับรูปียะที่ไม่เป็นรูปพันธ์เป็นนิสกีอารูปิยะที่ไม่เป็นรูปพันธ์แลกเปลี่ยนกับรูปียะที่เป็นทั้งรูปพันธ์และไม่เป็นรูปพันธ์เป็นนิสกี อรูปยะที่ทั้งเป็นรูปพันธ์และไม่เป็นรูปพันธุ์แลกเปลี่ยนกับรูปยะที่เป็นรูปพันธ์เป็นนิสกีออรูปิยะที่เป็นทั้งรูปพันธุ์และไม่เป็นรูปพันธ์แลกเปลี่ยนกับรูปยะที่ไม่เป็นรูปพันธุ์เป็นนิสกีออรูปิยะที่เป็นทั้งรูปพันธุ์และไม่เป็นรูปพันธ์แลกเปลี่ยนกับรูปยะที่เป็นทั้งรูปพันธ์และไม่เป็นรูปพันธ์เป็นนิสกีคือเป็นของจำต้องสละในท่ามกลางสง์ภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงสละรูปยะ ที่เป็นนิสสคีอย่างนี้